ปังธรรมปังธรรมคือปังเรื่องของเราเนี่ยแหละเรามาพูดูจากตัวเราเองก่อนคนอื่นจึงจะทันสมัยไม่ล้าสมัย ปฏิบัติธรรมนี้มันทันสมัยไหนเขาก็ปฏิบัติธรรมกันแล้วขณะนี้ก็งานร้อยปีหลวงปู่เทียนอยู่มงเลยมีผู้ปฏิบัติธรรมเกือบไปถึงห้าร้อยถึงห้าร้อยคน ตั้งพระต้องสงตั้งอุบงศกบาศิกาเพรว่าชีวิตของเราเนี่ยมันอะไรที่เหมือนควรจะทำให้มันดีขึ้นถ้าเราไม่รู้มัน มันก็จะเป็นทุกข์เป็นโทษต่อชีวิตถ้าลูกมันก็เป็นประโยชน์ดังที่เราอายายพระสูตรว่าโลกเครืองูสัตว์คือพวกเหานี้คือสังขารร่างกายนี้มันคือมันมีชลาเข้ามาอยู่ ในลกูกในนามนีชั้นลามาเป็นใหญ่ไม่มีใครต่อท่านไม่มีผู้ยิ่งใหญ่ในลกูกชั้นลายิ่งใหญ่กว่าอยู่ในกำมือของความชั้นลาไม่ฟังเสียงใครว่านี่ก็ไหลไป สู่ความแก่ความเก็บ ค, ความตายแน่นอนที่สุดเราจะใช้ชีวิตอย่างไรชีวิตนี่เหมือนมีขั้งสุดท้ายปืนนอนขึ้นมาเราจะไม่มีโอกาสมานอนอีกแล้วอะไรที่เป็นความดีใช้ชีวิตอย่างไร ตอนจะนอนหายใจเข้าอาจจะไม่ออกหายใจออกก็จจะไม่เข้าเป็นขั้งสุดท้ายแล้วชีวิตสั้นๆชีวิตเ น, น้อยอย่าพ่อหลวงพ่อหลั ง, ลงนอกจากชลาแล้วยังมีความอยากไม่รู้จักอิ่มจักพอถ้าไม่รู้จักมัน่ะ ไหลเรื่อยเหมือนกันทางจิตทางนามเราจึงมารู้ตัวเองนี่ให้มันใช่ได้เราเห็นธรรมเห็นธรรมก็เห็นธรรมชาติเห็นนาการมีเหตุปัจจัยต่อเนื่องกันไป ให้เรามาเห็นเรื่องนี้มาดูเรื่องนี้มาศึกษามันดูมันหลงเป็นธรรมเป็นธรรมชาติเป็นเหตุเป็นปัจจัยมาหลงเป็นอะไรเกิดขึ้นทำไมจึงหลงเราไม่รู้เห็นธรรมเห็นเหตุเห็นปัจจัยผู้ใดเห็นธรรมผู้นั่นชื่อว่าเห็นพระพุทธเจ้า บูไดเห็นพระพุทธเจ้าผู้นั้นชื่อว่าเห็นธรรมเห็นธรรมก็เห็นปฏิจจสมุปบาทสิ่งที่เด้งด้วยกันให้เรามาศึกษาเรื่องนี้ไม่ใช่พูดให้ดีไพโลผู้ใดสอนผู้ใดบอกให้พึ่งตนเองทำโอาเองนั่นคือสัจธรรมเราเห็นความหลงไหม ประมาตอยู่ในความหลงไหมด้านอยู่ในความหลงไหมให้มันหลงเห็นั่นหรือไม่หลงก็ได้ควรจะรู้ซอรู้สึกตัวเข้าไปผู้ใดสอนให้ทำอย่างนี้นั่นแหละคือผู้ขี้ขุมทรัพย์ให้เราน้อมไปทำนำไปทำเอาเองไม่มีใครช่วยเราได้ จนพูดใดพูดไม่อาศัยอันโน้นอันนี้หวนไปพูดดีพูดเก่งมีลิทธิปฏิหารหวังพึ่งผ้าอาศัยท่านขอหวนจากท่านนั่นเป็นเอกส่วนหนังชีวิตไปห้อยไปแขวนไว้กับอาศัยคนอื่นเหมือนพึ่งล่มเงาในก้นเมฆ มันไม่ใช่ต้องพึ่งตนเองมันผิดเปลี่ยนเป็นถูกก็เองหัดเปลี่ยนมันมันทุกเปลี่ยนไม่ทุกมันหลงเปลี่ยนไม่หลงต้องพึ่งตนเองอย่างนี้หัดรู้เองจับมันมาให้มันรู้มันรู้เนี่ยคือหมูสัตว์นี่เอามาใช้วันให้มันรู้อย่าให้มันหลง ถ้ไม่รู้มันก็หลงถ้ามันหลงมันไปไกลไปทางต่ําถ้ามันรู้ไปทางสู ง, สงค น, นไปทางต่ํามักจะไปเป็นตกนรกเป็นเปรตเป็นสุรกายดิแรฉานถ้าไปทางต่ําถ้าไปทางสูง มักจะไปสูงมักสูผลมนุษย์คือผู้มีไปทางสูงสูงคนไปทางต่ำตำ่ไปทางต่ำๆ่ำออกความความพอใจความไม่พอใจออกหน้าออกตาตาเห็นรูปพอใจตาเห็นรูปไม่พอใจในี่เรียกว่าคนมนุษย์ตาเห็นรูปเห็นรูปไม่ ไม่มีคําว่าพอใจไม่พอใจถอนความพอใจและความไม่พอใจออกมาออกมามามีสติบริสุทธิ์เป็นมนุษย์สูงขึ้นมาผมพอใจความไม่พอใจมันต่ําเห็นความพอใจและความพอใจถอนลงมามันสูงไม่ใช่สูงบนภูเขาที่เราอยู่มันสูงทาง ปฏิบัติทางใช้ชีวิตให้มันไม่เปื้ไม่เพื่อนเราจะมาฝึกตนโสนตนแล้วมันฝึกได้อย่าปล่อยทิ้งเอาวัสดุประกอที่มีจากรูปนี่มาผิดความรู้สึกตัว ผู้ใดมีความรู้สึกตัวเหมือนก็อยู่บ้านพ่อบ้านแม่ปลอดภัยผู้ใดหลงเหมือนกับพนพัดบ้านพัดถิ่นกลางคืนเป็นขวนกลางวันเป็นเปลวกลางคืนว่าฝวนกลางวันบ่อยิดไหลก็คุมร้อยคุมดีผูู้แพร่แพ่เหมือนคนพัดบ้านพัดถิ่น ไม่มีผู้ดูผู้เเรเหมือนไม่เหมือนลูกอยู่กับพ่อของแม่อยู่ร่มอกของพ่อของแม่มีสติยิ่งกลัวอยู่กับพ่อกับแม่เฉยอีกเราจะดูมันจะเห็นมันเนี่ยมันจะเป็นอะไรมันยิ่งใหญ่หรือความชะลาเนี่ยโยมมันหลือความแก่โยมมันหลือความเก็บโยมหรือความตายโยมันหรือ ปฏิปธรรมมันจะเหนือความเฉลายความเก็บความตายเพราะมันเห็นเห็นมันอาว่าที่เห็นเนี่ยยิ่งอยใหญหลุดพ้นได้ทุกชิ่งทุกอย่างอาวาที่เป็นเนี่ยไม่ดุจไม่หลุดพ้นนะอ่ อ, อนเอเป็นการมัชคั ด, ดิการติโยอ่อนอเอหุบเกียร์อาว่าที่เห็นเนี่ย เป็นมัดขิมมาปฏิปทาเป็นทางเห็นเป็นมรกเป็ น, ปนไม่ใช่มร์มหลงไปแล้วไม่มีทางไอ้ทางตรงที่มันลุ ก, ลกมันมีทางตรงที่มันลุกจึงเรียกว่าทางทางเดินทางกิตใจเนี่ยที่ไหนลุกนั่นแหละเป็นทางที่นั่น เราลูกคือคือไม่รู้ไม่รู้คืออะไรคือวิชาอวิชาเป็นป่าวิชาเป็นทางในอวิชามีวิชาในความหลงไม่หลงมีทางตรงนั้นในความทุกข์ไม่ทุกข์มีทางที่นั้นยานจน บางทีเราจนต่อความทุกข์จนต่อความหลงจนต่อความเก็บจนต่อความตายเพราะเป็นหัดเคยไปสอนคนเป็นโลกไท้วายอยู่ที่จังหวัดชนลินเมื่อนอ น, น, อนพลิกหนพิกตาอยู่ในไปดูลงพราหวานก บอกวมาบอกด้วยทำใจไม่เป็นแล้วหลงแล้วหลงแล้วไม่รู้จะอยู่ที่ไหนไม่รู้จะอยู่ที่ไหนแต่เขาเคยฝึกอยู่เหมือนกันก็มีกระแสมากแล้วก็ไปแนะนำปิดหน่อยรีบด่วนนิดหน่อยยุดยุบอย่าไปหาไม่ไม่อย่าไปทําอะไรว่า่เฉยๆว่างเฉยๆอยู่นิ่งๆอย่าไปหาจะทําใจไงจะทำใจไงไม่ต้องทําไม่เป็นอะไร พอไปบอกไม่ไมอยู่นี่ไม่ไดีนิ่งนะนอนนิ่งแล้วนกะ็ก็กรนะลูกไดนะ้ทางไม่ใช่หรอมันเห็นนะไม่ใช่เปลือนของเสียชีวิตเราเนี่ยมันเห็นมันมาให้เราเห็นนะถ้ามีสตินะมันมาให้เราเห็น มันไม่ต้องไปหาอะไรเมื่อไรจะลู่ธรรมะลู่แล้วจะเป็นยังไงไม่ใช่หลงไม่ใช่เมื่อไรเดี๋ยวนี่ประจตตังลู่ธรรมะเดี๋ยวนี้ยกมือขึ้นลู่เดี๋ยวนี้เอาเลยทันทีทันใดแล้วมันหลงลู่เดี๋ยวนี้ทําไมจึงหลงอย่าไปพูดแบบนั้นเลยไมทําไมไม่ใช่นักปฏิบัติภาษาไทยเขาว่าทําไม ไม่ใช่แล้วเกี่ยวกับชีวิตของเรานาะทำไมจึงเป็นอย่างนั้นทําไมจึงเป็นอย่างนี้ม่น่าจะเป็นอย่างนั้นม่น่าจะเป็นอย่างนี้ไม่ใช่แล้วอิดหน่วยก็ไม่ใช่เพราว่าทําไมไปเป็นการบ้านเป็นโจดสร้างโจ์ให้ตัวเองเราก็ตกเป็นจมบรอยของมันถ้าคนคิดแบบทําไมทําไมเราเป็นจํารอยไปแล้ว <c oughs> ต่อสิ่งที่มันทำให้เกิดทำไม่ต่อสิ่งอื่นว่าเป็นปัญหาไปแก้สิ่งอื่นคนนั่นทำอย่างนั้นคนนี้ทำนี่ทำมาจึงทำกว่าเราทำมาจึงทำเราตายทิ้งไปเปลาไม่แก้ไม่ได้เลยแก้แก้ไม่ได้เลยเราต้องกลับมาหาตัวเราเราบีนสติครับคุณมา ไม่เป็นอะไรนี่เป็นไรนี่เป็นไ ร, ไนไรต่อพื้นต่อพื้นไปต่อไปขังหัวมันเป็นเช่นนั้นเองคนในโลกจริงต่างๆเป็นเช่นนั่นเองเพี่ยงเก่าหัดอย่างนี้สอนอย่างนี้สอนตัวเองสอนอย่างนี้แล้วก็สอนได้จริ ง, งอยู่กับโลก ความหลงอยู่กับเราความไม่หลงอยู่กับเราปัญหาอยู่กับเราปัญญาอยู่กับเราความไม่รู้อยู่กับเราความรู้อยู่กับเราเ จ, าจ้าชนเรื่องความรู้ที่เป็นศัจธรรมแต่ความรู้ที่เป็นการเหตุปัจจัยที่ตามภาษานั้นอาจจะไปค้นตำรับตำลาถามคนอื่นได้ความหลงไม่มีคำถามทำไมฉันจึงหลง ไม่มีใครถามไม่มีคาถามแบบนี้ทไมจึงทุกข์ไม่มีคนถามไม่น่าจะทุกข์ไม่มีคำถามอายไปอีกเื่องใหญ่ไม่มีคำว่าทำไมดูเข้าไปเลยทีเดียวมันหลงเห็นเห็นหลงไปไม่หลงขอญาตไม่หลงได้ัหยไม่ต้องขอญาตใครเป็นสิทธิ 100% ยเ ในการใช้ชีวิตที่ให้บริสุทธิ์ไม่ไม่เป็นอะไรอันสิที่อันอื่นเราจะต้องหาจากคนอื่นความเป็นธรรมไมเหมือนกันความเป็นธรรมต้องอยู่ในตัวเราความหลงไม่เป็นธรรมความไม่หลงเป็นธรรมไม่ใช่เอาความเป็นธรรมไปไหวคนอื่นเชิงอื่นวัตถอื่นหาไม่เจอถ้าเรามีความเป็นธรรมแล้ว ความเป็นธรรมก็มีในในม่ยากขอให้เราเป็นตัวหนึ่งตัวตั้งเอาไว้นี่คือปฏิบัติธรรมมันดีอย่างนี้มันไม่เป็นอะไรแบบนี้เหนอกที่จือกับโลกถ้าเพาะบางนละยอยู่ไม่รอดนะโลกเนยะทุกวันนี้ไม่เหมือนสมัยก่อนสิบหกสี่ปีก่อนมันลงโทษ สัตว์โลกธรรมชาติเหมือนสัตว์อยู่ในเนี่พวกสัตว์ก โ, โง่ตายหมดแล้วสัตว์น้ำสัตว์บกสัตว์ปีกตายหมดแล้วเก้งกวางงูปา่านกประเภทต่างๆสับในน้ากบเขียดอะไรต่างๆที่มันโง่มันตายหมดแล้วเพราะโลกมัน มันดุรอยก็ว่าได้ดัะ น, นั้นสัตว์ตัวไหนที่ไม่ง่ก็อยู่ได้ไมีการปรับปรุงมีการพัฒนาตัวเองอยู่ได้ตอนเมืม่อไหรมงประเภทเช่นต้นสเสดาช้างต้นชาต์เป็นเจ้าป่าเจ้าเขาเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วมันมันไม่ชอบ มันไม่ชอบรบกวนลถลาเดินแผ่นดินควานฝอยควานฝอยเกิดทุกร ะ, ทกระเทือนแผ่นดินตน้นชาติไม่ไม่ชอบจะเดินเช้าก็ไม่ชอบเขาเป็นเจ้าป่าเจ้าเขาเขา อ, อยู่ไม่ได้เขาเหลือแต่พวกเถาวันจากต้นไม้สูงสูงเท่าท้นสูงทนแท่งน้ำเนี่ยอยู่ไม่ได้แร้ว เดี๋ยวนี้กลายเป็นป่าเถ่าเป็นเถาเต็มป่าเดินไปไหนไม่ได้แต่คนลุ้งเห็นเชียงเห็นกวางเห็นช้างเห็นเสือมองไปเดี๋ยวนี้ไม่มีเปลี่ยนแปลงไปลุกลงหลังขึ้นมาแล้วก็ไม่ประเภทนี้ใช่ไม่ได้ใช่ไม่ได้บางทีก็มีหนามชีวิตเราบางอย่างมันใช่ไม่ได้เลยนะ ถ้าไม่พัฒนาจะปล่อยไปไ ป, ไปตามโลกนหรอว่มีรสชาตินะโลกทุกวันเนี่ยต้องไม่สับโลกติดนะนะถ้าเราไม่พัฒนาตัวเองไว้ไกับโลกเละทเดียวโลกก็โลกกาทิปไตยอาทิปไตยไปกับโลกอัตตาทิปไตย อธิปไตยไปกับตัวเองไม่เป็นธรรมต้องเป็นธรรมมาอธิปไตยต้องเป็นธรรมในทางอธิปไตยเนี่ ย, ยนี่ไม่เป็นโลกาธิปไตยไปกับเขาส่วนว่าทำอะไรก็ปา ล, ลปรารบโรคปลรบตัวเองไม่ปาลารบธรรมทุกวันนี่ยลืมธรรมไปซะแล้วเอาว่าบุญคุณนี่ไม่มีลนะทุกวันนี้นะ ไม่รู้ว่าหมดไปแล้วนน่าน่าจะน่ากลัวมากเพว่าบุญคุณเห็นลูกเต้าตาพ่อแม่บริการลูกไปได้ลูกไปเคารพพ่อแม่แต่พ่อแม่คนไหนบริการลูกได้เออลูกยกมือไหวขอเงินขอทองเขารบได้แต่พ่อแม่คนไหนไม่มี พลังที่จะพลังงานพลังทรัพย์เสียเงินทองที่บริการลูกได้เลยมันไม่มันไม่ออาแล้วทักวะนะัน้นั่นแต่ครูบาอาจารย์มันก็ไม่เคารพมีความเคารพอยู่คือหมอคะนทะั่วเนียอารู้ตาเห็น พยาบาลเหมือนเทพธิดานะ <c oughs> เห็นหมอเหมือนเทพประบุตรของเราเลยเลยถ้าไม่มีคนพวกนี้เราไม่รอดแล้วยังมีในหัวใจของเราจังหวังพึ่งในสิ่งเราพึ่งตัวเองไว้ได้ดีจริงๆนะมีขั้นตอนอย่างดีมีความรู้รักษาลูกไขข้ายเจ็บได้จริงโรคที่เป็นเชื่อลูกส่วนโรคที่เป็น รูปโรคดามโลกเนี่ยเราต้องรักษาอย่างช่วยหมอไปสองเหล่งช่วยสองเหล่งหมอบอกว่าไม่มีทางเลือกต้องมีโรคมลเลงเนี่ยอันหลับสุดท้ายแล้วไม่มีทางเลือกต้องกี่โมแต่ไม่ค่อยได้ผล หนึหล<ม><ม>วงพ่ออายุแก่แล้วน้ำหนักลดมากเลือดไม่มีเพราะไม่ค่อยจะได้ผลแต่ไม่ได้ผลก็ต้องไม่มีทางไปอีกแล้วต้องให้จีโมเราก็ได้ยินเราก็ทราบในหัวใจแล้ว่าเออโรคบางอย่างรล้วาหายโรคบางอย่างรักษาไม่หาย โรคบางอย่างไม่รักษาก็หายโรคบางอย่างต้องรักษาจึงหายทราบแล้วไม่เป็นไรนี่ก็ใช่ได้เราสองทางเราไม่เป็นไรอยู่แล้วไม่เป็นไรไปตอบสนองตอบสนองกับยาหับยาได้ก่คือสองแรล่งหนึ่งหมอดียาดี หนึ่งยาดีสองดึงหมอดีสองยาดีสาอะไรดีฮะีิี้น่อยฮะต้องมีทักสามอย่างเสาค่ำก้อนเ้าหนึ่งหมอดีสองยาดีสามกำบาฐานดีอย่าให้ขาดแขนนะ อันนี้อย่าให้ขาดเคลนครับคำถานกืออะไม่เป็นไรอะไรที่เกิดกิดไปกับใจนี่ไม่เป็นไรอะไรที่คนตกน้ําอยู่ไม่เป็นไรไปพูดอย่างนั้นไม่ได้นะกับตัวเองเนื้อส่วนตัวนะไม่เป็นไรเป็นส่วนตัวส่วนตัวเป็นส่วนตัวนอนอยู่ห้องหรืออยู่เราขึนต่อขึ้น มองไปทางกระจกเห็นคนโกกกระจกน้มตาไหลเป็นแถวโอ้ยเราจะหน่วงเขาอยู่ต้องไงเขามาล่องให้คนไม่เป็นทุกข์แต่เราให้ทบาปเราไม่มีทุกข์อะไรไม่เห็นมีปัญหาอะไรเราไม่เป็นไรอยู่แล้วมันก็อยากจะพูดจากนี้นะมันภูมิใจที่มีกรรมาฐานเนี่ย คูดไม่ได้ปุ่มโทษท่าเนี่ยอยากจะบอกก็เลยเขียนหนังสือ่อาโจมที่ยืนอยู่กระจกข้างนอกพากันกลับบ้านสาหลงตามีชีวิตเป็นส่วนตัวมากที่สุดอยู่ที่นี่ อยากจะพูดไปยาวๆอยู่วัดป่าส ก, กุโตไม่ค่อยจะมีชีวิตเป็นส่วนตัวเ <c oughs> ดี๋ยวก็แบ่งให้ต้นไม้ลถน้าต้นไม้เดี๋ยวก็ดูน โ, ด น, โ, ด น, โดน่นดูนี่นี่มันอยู่ที่นี่มันมีชีวิตเป็นส่วนตัวเอินตาขึ้นในจิงแลวลรอมก็มีใดของดีๆมีหอยืนอยู่เชียงข้างสองคนสามคนมีพยาบาลมีเทพปุดมีเทพธิดา โอ้มันดีเหลือเกินที่นอนมันมันกระยุบกระยิกรบเนี่นะอะไรอ่ะ <c oughs> มันมันตีย ง, งเป็นมันเคลื่อนไหวเป็นนะที่นอนนะเอน่าจะเอามานอนที่วัด <c oughs> <c oughs> โอ้ที่ไทยเป่นนี่หรือนเนี่ยเนอะมันเป็นอย่างนี้หรื อ, อหมอไทยเป็นนี่หรือไยาบานเป็น น, นี่หรือโอ้ วอแม่เขาส่งลูกสาวลูกชายเปลี่ยนแพทย์เรียนหมอมาเขาวิวชาวความรู้มาช่วยเราเนาะประเทศไทยเป็นนี่เนีโอยนอ อ, อ, อยู่สุขสบายที่สุดเป็นส่วนตัวเขียนหนังสือออกไปให้คนบ้านไม่ต้องหอ่วงชีวิตเป็นส่วนตัวนี่คือกรรมฐานไม่มีคำว่าทุกข์เ่งๆนะเพียงแต่คิดที่ฉก็ทุกข์แค่นี้หรือชีวิตเรานะ มันไม่ใช่แบบนั้นชีวิตของเรามันมนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐนะมีสติของปห่มัดงนี้แล้วรู้สึกตัวพระพุทธเจ้าก็ทำอย่างนี้ในก่อนที่เกิดพระพุทธเจ้าพระองค์ก็นั่งพระศีรษะนั่งเูแขนเข้ารู้สึกตัวเหียบแขนออกรู้สึกตัวบางทีอาจจะโดนจงกมเมี ล่องลอยเดินจงกรมอยู่ทางทิศเหนือของสัตถโต้นสีมหาโพงเกินไปลูกสึกเกินกับมารู้สึกมันช่วยได้เอาวัดสดุอุปกรณ์ที่ผิดความรู้เป็นนิมิตจะใส่มันดึงได้มีน้ำหนักมีลูกตุ้มคิดถึงเพียงพากับมากเวลานี้ไม่ใช่ไปคิดถึงลูกถึงเมียแนั่งอยู่ต้นโพง มันต้องคิดทุกคนนั่นหละเคยใช้ชีวิตแบบไหนมาคิดถึงประชาสามล้วดูเนาะว่าจะเปรียบเทียบต้นโพได้อย่างไรต้าให้ความคิดเหตุผลเอาเหตุแผ ล, อผลโอเราเนี่ยสามเราเป็นจักรพรรดิได้ประชาชนากชชนบิลพัฒน์บังพึ่งพ า, าัยเราอยู่ทำไมมาอยู่เนี่ย มันบ้าหรือเป็นคนดีเนี่ยน่าจะไปอยู่เป็นจักรพรรดิปราชญ์สามฤดูเราเขาอยู่ในราชวังสนมกำนันในดิศีที่เป่าตลอดเคินไม่มีบูตรเกี่ยวผลเลยทำไมมาอยู่คนเดียวยุงก็อะไรเขากันหอบลงเตินกลับกบิลพัทธ์เล่ยถ้าเอาความคิดเหตุผลเนี่นี่ไม่ใช่ไม่ใช่มาคิดแบบนั้นเรามารู้จักตัวโอ้รู้ รู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัวกลับมาเออมันเป็นกรอบเป็นกำรรขึ้นมานะจากความคิดมาเป็นความรู้มันต่างกันอยู่เหมือนคนมีอาชีพได้อยู่ได้กินเกี้ยจนได้เลี้ยงลูกเลี้ยงเต่าได้วิบเป็นนายเียได้หนูเราเป็นชาวนาแต่ก่อนเราเป็นอดอยาก ขุดจากกินเคยกินกอยนะไม่สีน้อยตู้จับ ก, กอยไนหะมขุดกอยมานึ่งกินต่างข้าวนะมัาอยู่บ้านใหม่พ่อตายนิจากนะจังเป็น <c oughs> เ, เราไปทำนาขึ้นมาไี่ข้าวกินมไม่ลำบากขยันนะวะอาชีพแบบนี้มันขยัน มันทำอย่านี้มันได้อย่างนี้มันมีอยู่มีกินมีข้าวอย่างเดียวปีเลยเยอะแยะเล ย, ยเอาแต่ก่อนคนเอาข้าวเป็นทรัพยนะ์นะไม่เอาเงินเป็นทรัพย์เหมือนทุกวันเลยนะกุกุสันโธโนาคบโนกัจจปูโอไม่ใช่สุดโทธนะโกโทธนะธนะอมิโตธนะคณิโตธนะปมิตะอิตาา พัะน้ะนานี่คือข้าวเนะนาะพุทธุตโทรตนนะโกโทรตนนะคือใครเนี่ยนะพ่อของพระเจ้าพูดถึงข้าวทั้งนั้นเพราะจึงมั่งมีไปทุกวันนี้เขาไม่มีเราข้าวทำนาไม่เป็นเอาเงินเอาอะไรก็เงินทองเงินทองสติเอ๊ะยอม ทำไปมันมีใช่ก็มันคิดไปกับในใช่สติละบบก็คิดที่มันหลงใยใช่สติไปมันทุกข์ใช่สติไปมันโกรธใช่สติไปมันกลัวใช่สติไปอะไรก็ตามใช่สติไปมันมีใช่ละเบนมันมีใช่ไม่จนเนะขยันระเบนเออมันปกตินะ ลเลยก็ไม่รู้ไปโน่นบทีก็เป็นอารมณ์ไปเลยความคิดตายปเป็นอารมณ์ไปเลยก็คิเลือั้งหาได้มีเหมือนกันปฏิบัติใหม่ๆก็เคยสูบบุหรีก็เคยเอาเพื่อนสูบุหรี่มาปฏิบัติทำ ม, <laughs> มันไปเออเรดูมว่าจ้ามาหอยามาสู่มันไปมันเคยหิวยาไปยามาสู่ ไม่ได้คิดว่าอะไรเลยว่ามีสติอังโ้เจ้ตัวอหยุดสบสติได้เออหยุดสบบุหรีได้นั่นไม่ไปตามความคิดนะแต่ก่อนทั้งหลายก็ไปตามความคิดให้ความคิดเป็นใหญ่ไม่มีสติเป็นใหญ่เอาหอบหิ้วไปไหนก็ได้คิดใจนี่ต่อเถื่อนมากที่สุด วอมันมีสติมันใช้ได้มันสมกอนสมรวมโอ้เหมือนพ่อเหมือนแม่นะเหมือนพ่อเหมือนแม่ดูอะไรักษาพอมาใช่ไปรู้จึดทวงก็เอกับความคิดเห็นกายที่มันเคลื่อนไหวไปมาโอ้นี่ไปเป็นรูปเนี่รูปนี่มันทำอะไรไม่เป็นเนีวแต่เขาจะใช้มันนะ สงสารลูกน้ำคือมันยิ่งใหญ่คือความรู้เลยได้เนะทำอย่างนี้น้ำ ม, มันสั่งทำอย่างนี้น้ำ ม, มันสั่งอะไรเป็นความดีความไม่ดีมันไม่รู้เรื่องลูกเนี่ยสงสารลูกมันจะเอาบุตรวิสุขสงสารลูกนะ<า>เห็นความคิดจากนั้นเอกับความคิดมันหลอกแล้วหลอกอีก รู้แล้วรู้อีกเหมือนคิดหลงทีหนึ่งรู้ทีหนึ่งมันคิดไปทีไหนรู้ทีนั่นระหว่างรู้ระหว่างหลงเนี่ยโดยเหลงอะไรก็ตามเนาะระหว่างรู้เนี่ยสองัดอยู่ในร้อยขอ้างฝนหอนรู้อยู่เจาะเอมันถึงขานะ่าแล้วมันถึงข่าวความเทียรความจริงระหว่างสองอันเนี่ยพังทลายนะเปลี่ยนแปลงตรงนี้นะปฏิบัติตามนาะ ชีวิตเปลี่ยนแปลงได้ตรงนี้นะเหมือนกับเราคนหนึ่งเพื่ประตูอยู่คนหนึ่งจะเข้าคนหนึ่งจะเข้ามา อ, อนคนที่เข้ามาน่มันแต่ก่มันผ่านไลตลอดประชัยชีวิตของเราเนี่ยแบนี้เราเป็นเจ้าของวิสติเป็นเจ้าของกายเจ้าของใจมันจะผ่านมาได้ปึ๊บจับได้ไล่ทัน รุ่มเหลวนความหลงความคิดที่มันไม่ได้ตั้งใจนะความคิดมีสองอย่างนะความคิดที่ตั้งใจคิดอันหนึ่งรวมคิดที่ไม่ตั้งใจคิดนี่อันหนึ่งนี่ไหมรวมคิดที่ไม่ตั้งใจมว้คิดขึ้นมาเองไม่อยากคิดมันก็คิดนีคิดหายเลยพวเนี้หมดเชื่อเลยนะเนี่ยมีแต่ตั้งใจคิดมีวิตก็น้อยๆเฉพาะเรื่องห แต่ก่อนมันไม่เฉพาะเรื่องนอ่านหนังสือนี่มันไปเท่าไหร่ต้องกอมํมอา่านอ่านจดหมายครึ่งหน้าไม่รู้ว่าอ่านอะไรต้องกํมอ่านใหม่มันไม่ชัดเกนแม่นยำนมีสติมันจะชัดเกนแม่นยำนใช้ชีวิตที่มันที่มันไม่ชิ้นเปือง ไม่ชิ้นเปืองเลยมีสติเฉพาะจับแต่ก่อนความคิดชิ้นเปลืองกับความคิดหมดพลังงานไปกับความคิดช่ยพลังงานไปกับความคิดมากเกือบจะแปดสบปอซอันที่ไม่ตั้งใจนะสูญเสียเปล่าๆอันความคิดที่ไม่ตั้งใจนะเออมันไม่รู้เลยก็ยิ่งอันตราย อายเป็นโลกประสาทกายเป็นโลกอะไรไปก็ได้เสตินั้นนะครับไปเห็นเลยลุกมาลายเลยเกลอคิดที่ไม่ตั้งใจเป็นตัวสมุทัยเป็นตัวสังขารเป็นตัวสังขารบุ้งสติเป็นวิ่งหะยุดอ่านอดีกันเลย คนขับรถเวลามันจะเกิดอุบัติเหตุจุกมันเคยเกิดวันเหตุเก้ได้ตรงนั้นเนี่ว่าขับรถเป็นไม่ใช่ขับวิ่งไปตามถนนขับรถเป็นเวลามันเกิดเลยขึ้นมาตัดทิ้งใจเปิ้ลดิมันเป็นมันเป็นไม่ใช่มันลูกงอนสมัยหนึ่ง ปีห้าร้อยสิบปดอยู่กรุงเทพคุณ ท, ท, ที่หัวชอปอนม่วนมาพูดที่มหมอใหญ่ทำมาเศษสอดปากช่องนั่งรถมาคุณจักรพันธ์เป็นคนขับรถกณมีโลดกูนั่งมาด้วยกันนั่งใกล้ๆกันแต่หมอมาถึง ท, ทับกวง ะีมีรถรันหนึ่งวิ่งตัดหน้าคือมีโลรถไม่ได้ขับรถเหยียบเหยียบอยู่ไหนเดินอยู่ไหนเดียวดีนมือก็นี่นี่ฉันทั้งที่ไม่ขับรถอคุณจะก้าันย์งทำให้ไม่เกิดบาดเท็บตังเบรกตั้งเลี้ยว่างมีจังหวาอาชีพ ไม่ถูกชนก็เลยถามคนขี่รถอ่ะขี่รถทำไมพี่เนี่ยผมนึกว่าผมขับรถผมเหยียบเบรกเหยียบเบรกกับพวงมาลัยมันเป็นชีวิตมันเป็นคนที่ขับรถเป็นมักจะเป็นอย่างนั้นอะไรเกิดขึ้นมีแต่เหยียบเบรกจับพวงมาลัยตัดเินใจอย่างมั่นคงแม่นยำอย่างนี้ชีวิตเมือนเป็นไม่ต้องหัด สีจิตใจที่หัดตีเรื่องมันไม่ต้องหัดมันเป็นแล้วจบกันแล้วซารอันคำว่าหลงนี่คนจะจบกันข้างสุดท้ายนะความโกรธความทุกข์เนี่ยหลงไปทางไหนก็ตามที่ว่าหลงมันเดียวกันนั่นแหละโกรธไปทางไหนถือว่าโกรธนั่นแหละแล้วก็มีการตรงกันข้ามหลงก็ไม่รู้นะ สังขารคือปุงวิสังขารคือหยุดปุงเนี่ยมันมีคู่อย่างนี้นะเหมือนพระเจ้าว่าเจ้าสังขารเรารู้จักเจ้าเฉี่ยแล้วเรารู้จักเจ้าเฉี่ยแล้วแต่ก่อนเราไม่รู้ในเล่นท่องเที่ยวไปกับเจ้าเป็ น, นเร็กชาติตั้งรักทั้งชังทั้งโงกรธต้องโศกต้องชอบไม่ชอบไปแล่นไปกับเจ้าหอบพิวเราไปหน่อย ไปยินดีกับใครไปยินไดล่ไปไปกรธไปขังครของ์ที่รักก็กลายเป็นของที่ชังเมื่เคยรักกันก็เกลียดชังกันผัวเคยรักกันก็เกลียดชังกันข อ, องที่เกลียดชังกันกลายเป็นความรักกันขึ้นมาเห็นดกเห็นใจกันสังขารเป็นอะไรกชาติคุม่มิไรคู่มดีให้สังขารหอบพิ้ไปเชียงอันตรายมากอันตรายมาก เหมือนคนอยู่เดินอยู่ปากหกเหวป่เจ้าสังขารเป็นปากทางแห่งความเก็บฝวิสังขารยุดทันทีเลยเนี่ยมันแม่นตรงนี้นะสังขารวิสังขารสังขารเป็นทุกข์วิสังขารไม่ทุกข์อ๋าจะพูดแล้วแต่ก่อนเราไม่มียานไม่มีสติปัญญา ในเล่นไปกับสงสังขารเป็นเอกชาติแบบนี้เรารู้จักเจ้าเสียแล้วเจ้าจะทำอะไรให้เราไม่ได้อีกต่อไ ป, ไปจิตของเราถึงแล้วชึงสภาพเจ้าสังขารปรงแต่งมาได้ไปเป็นจิตที่บริสุทธิ์รู้คิดที่ไม่ตั้งใจคิดที่ตั้งใจมันต่างกันก็เลยเห็นอย่างนี้ เห็นสภาพชีวิตของตนอย่างนี้นะปฏิบัติรรมไม่ใช่พูดให้เพาะนะเนี่ยพูดให้ทำนะเนี่ยชีทูดนะเนี่ยบอกงานบอกการนะเนี่ยมันเปลี่ยนได้มันหลงไม่หลงได้มันปรุงไม่ปรุงได้มันโกรธไม่โกรธได้เอาจริงๆคือภาวะที่หลงภาวะที่รู้ภาวะที่ห ล, ลงคืออวิชชาภาวะที่ไม่หลงคือวิชชา มันเป็นตรงกันข้ามถ้าเป็นศัตรูก็คืออวิชชาเป็นกําลังพลก็คือวิชชาคือสังติสังขารสังขารคือข้าศึกศัตรูวิสังขารคือกําลังพลลบทฉันท์ไม่มีแพ้นะไม่มีแพ้นั่นเนี่ยเมตชนะชิดตังเมชิดตั้งเมยเห็นไหมชิดตั้งเมย อ, อยู่ที่ไหนชิตังเมหม่ไ้เหิน <laughs> คนชนะีเสือนะเสือมันดูไ ล, ล่ขี้คอมันเลยชิตังเหม่ชนะเราเวย้ยเป็นคำพูดของพระละหานโลกหนังนะนบกับคลาสึกนี่ฮมันมีอะไรสังขารปวงต่งช น, น, น, นะเราเว้ยชนะเราไปเดียเชื ชนะตนนั่นแหละไปเสด็จที่สุดชนะคนอื่นลอยข้างฝันหุนไม่เท่าชนะตนแม่ข้างเดียวจือชนะอย่างนี้พระเจ้าส ร, ารรเสริญอตาหะไปคิตังเสวยอยู่ชนะตนเดงนั่นแหละไปเสด็จที่สุดอาชนะคนอืนน่นลอยข้างฝันหุนไม่เท่าชนะตนแม่ข้างเดียวพระพุทธเจ้าตัดอย่างนี้อู้ ไอ้สวดที่สวดนกะลับมาแต่พวกเรามันหลงไปกลับมาเอาชนะความหลงด้วยความไม่หลงเอาชนะความโกรธด้วยความโกรธนั้นก็เป็นคําพูดอยู่เสาะคนอยู่แล้วแต่เรามาฝึกหัดมาฝึกหัดมาปฏิบัติมาโต้ตอบมาทักท้วงมาประกอบส ต, ติไม่ใช่คิดท่องจำสังผัส ด, ดาว ให้มาต่อกับกายมันคิดไปต่อกับความคิดรู้สึกตัวในความคิดรู้สึกตัวในความหลงรู้สักตัวในความโกรธรู้สึกตัวในความลกความจังรู้สึกตัวในความพอใจไม่พอใจถอนลงมาสติเปอย่างนี้มีความเพียรเครื่อง法宝ชีเลตปีสติสั่นยัญะถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกอกเสียได้นี่คือ สตินอ่นี้ไม่ใช่สติปัท่อมจําปฏิความลึกได้สมชะกวามรู้ตัวไปเรียนนักธรรมท่องได้ไปสอบนักธรรมสอบได้ได้ใบ ป, ประกาศมาติไม่ขวายังใช่ไม่ได้เลยโอ้หลวงพ่อเทียนมาสอนโอ้นี่สติเลยโอ้พระเจ้าสอนนี่โอ้นี่สติแต่ก่อนพระเจ้าไม่มีหนังสือนะสักตัวเลย อันหนั้นเกิดขึ้นเป็นพันๆเหมือนๆไม่มีหนังสือตำราอ่านจากตัวเลยเอาตัวเองเป็นตำราเอากายเป็นตำราเอาใจเป็นตำะเอาสติเป็นนักศึกษาจนกว่าพุทธเจ้าปฏิพันธ์แล้วนานตังีเปียบสามรอยสี่รอยปีจึงว่ามีหนังสือจะลึกจงใบานจึงมีตัวหนังสืออ่านนะนี่มันอยู่ที่นี่ ความทุกข์เกิดอยู่ที่นี่ความดับทุกข์อยู่ที่นี่เหตุได้เกิดทุกข์อยู่ที่นี่ไม่ทำาหเหตุที้เกิดทุกข์อยู่ที่นี่คือกายอันกว้างสอกดาวาหนาคืบมีสัญญามีจิตใจมีรูปมีนามงานเปลี่ยนได้มันลู้ได้ใช้อันนี้พวกเราใช้ความรู้สึกตัวให้เป็นใหญ่ไปก่อนเถอะอย่าให้มันสํำสอนเกินไป เจ็ดวันสี่วันห้าวันลองมาดูเชให้ลูกมากงมาก้าลูกดูเชซึบหมื่นลูกขยันลูกดูเชือาวิตาพระฤกตานะัยปาวันนาคือขยันลูกมันขยันหลงหรือขยันลูกชีวิตเราบัดนี้มาขยันลูกซะให้เป็นชีวิตส่วนตัวซะไม่ต้องไปคิดเรื่องใดจินยังไงจะนอนอยังไงโศตายนะหน่อยนะเนาะเอ้า อันนี้สมควรเจ้าลาเอวังก็มีด้วยประการชนี้ตาพระป้อมกัน